นี่ในทางตรงกันข้ามบัณฑทำบุญโยธทรดีด้วยกายนะถ้าหากสวรรค์นิพพานบันนี้ถ้าหากสวรรค์นิพพานมีตายไปแล้วจิตอยู่สวรรค์สไหนานานกี่ปีกี่เดือนจะรู้เห็นเข้าใจอย่างนี้บันนี้ทำดีด้วยวาจาพูดอ่ อ, อนพูดหวาน เนื้อหากว่าตายไปแล้วบันเนี่ยจะไปะยุดสวรรค์ทั้นไหนนานกี่ปีกี่เดือนเป็นอย่าง่รจะรู้เห็นเข้าใจอย่างนี้ว่าญาณปัญญาเขาไปรู้ครับบนันนี้ทำดีด้วยใจใจคิดดีมีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเพื่ อ, อแทนเพื่อนฝูงบันนี้ถ้าหากตายไปบันเนี่ย จะไปะยุศวรค์สั้นไหนนิพพานสั้นไหนนานกี่ปีกี่เดือนจะรู้เห็นเข้าใจอย่างนี้ครับบัด น, นี้กายก็ทําดีวาจาก็พูดดีจิตใจก็คิดดีครับตายไปแล้วบัดนี้จะไปเกิดสวรรค์นิพพานสั้นไหนนานกี่ปีกี่เดือนครับมันจะรู้จะเห็น เป็นมีเข้าใจอย่างนี้อย่างแจ้งแจ้งทีเดียวครับเป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่ายานของวิปัสสนาปัญญาของยานวิปัสสนาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรียกว่ายานจึงเป็นพาหานะขนส่งแล้วมันจะเบาไปเป็นขั้นเป็นตอนไปครับมันเป็นอย่างนั้นรู้เห็นเข้าใจอย่างนี้แล้วก็มันจะไวข่มคิดนะครับนี่ อารมณ์มันอันนี้เดียวเป็นพักเป็นพักไปมันจะเห็นว่าตนโตเรานี่แหละมันถึงที่สุดแล้วเนี่ยญาญย่อมมีท่านบอกไว้ยังสิถึงที่สุดแล้วญาญย่อมมีนะครับมันปรากฏขึ้นมาเองเมื่อผมเป็นอย่างนี้ผมก็เลยรู้พระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวผมก็เลยเห็นเลยเข้าใจเป็นมีมันเป็นแล้วนะครับจึงจะรู้นะครับ อย่าไปรู้ล่วงหน้านะถ้าไปรู้ล่วงหน้าแล้วมันเป็นข่มรู้มันเป็นจินตญาณมันรู้เอาเองมันคิดเอาเองอันนั้นไม่ใช่เป็นไม่ใช่มีมันรู้อันที่ผมเป็นเนี่ยผมมีเนี่ยมันไม่รู้ครับมันเห็นมันเป็นมันมีครับมันมีมันเป็นแล้วมันจึงรู้ญาณจะเกิดขึ้นคือญาณเกิดขึ้นแล้วมันยังรู้ครับ งานแปลวเข้าไปตัดหรือไปลือไปถอนจะว่ายังไงก็ได้ครับมันเพียงเป็นเพียงสมมุติมาพูดให้ฟังมันจะเป็นวิปลาดที่ตรงนี้นะครับพอดีผมเห็นเป็นมีมันจืดหมึดตัวเหมือ น, มนเลยครับผมเคยพูดให้เพื่อนฟังบ่อยๆว่าเอาเสือ้อในล่อนเสื้ออะไรก็ตามไปพูดว่า ทางนั้นส้นหนึ่งคู่ทางนี้ส้นหนึ่งมีหลักสองหลักหรือสองต้นก็นได้หรือสองเสาก็ได้ดึงให้มันตึงเข้งแล้วตัดตรงกลางครับเมื่อตัดตรงกลางแล้วเสื้อมันจะสะท้อนคืนไปอยู่กับอกหลักทางนั้ น, ท า, น, นทางนี้ครับเราจะดึงเข้ามาติดกันให้มันต่อกันมันไม่ถึงครับอันนี้จึงจะรู้จักว่า พระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวหรือสมมุติอีกอย่างหนึ่งครับมีถาหรืออะไรก็ตามนะ่ะบาดเนื้อเหล่านี้ครับบาดเนื้อเ่าลงไปเลือดทุกหยดมันจะพุ่งออกมาปากบาดแต่ก่อนนะครับบัด น, นี้พอเป็นอย่างนั้นนเลือดทุกหยดมันจะไม่มาออกปากบาดมันจะหัวนกลับไปทั้งหมดเลยครับเข้าสู่สภาพมันจริงๆครับ อันนี้แหละพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวก็เลยมารู้จุดนี้นะครับเมื่อรู้จุดนี้เนะี่ยมันจะเบาเหมือนกับไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวนี่แหละครับนี่ผมกําลังเดินครับผมเป็นตอนเซาครับแต่เมื่อเป็นรู้รูปนาม ท, ทําทีแรกก็อรู้ตอนเซาเมื่อรู้ทําให้จิตใจเปลี่ยนแปลงเป็นปรมัดมานี่รู้ตอนเย็นครับ ตอนรู้ศีลกับตอนรู้ที่เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแนบเนี่ยมันเป็นอารมณ์มันได้ไปมันไม่นานที่ผมรู้นะครับเลือดมันจะกลับคืนหมดทุกหยดเลยรู้พระพุทธเจ้าตัดผมข้างเดียวผมพระพุทธเจ้าไม่ยาวอีกต่อไปอันนั้นมันเป็นภาษาที่พูดครับแต่ไม่ใช่เป็นผมจริงๆครับ พอดีผมเห็นรู้เข้าใจอันนี้โอ้พระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวนั้นไม่ใช่ตัดผมจริงๆคืออันนี้นหละครับมันขาดออกจากกันครับเลือดทุกหยดจะหัวนกลับทั้งหมดเสื้อที่เราผูกไว้น่ะนะครับมันจะกลับเข้าไปสู่หลักเดิมมาทั้งหมดอันนี้แหละครับมันจะรู้เห็นมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนิเว่ศอาการขูมเปลี่ยนแปลงไป เบาไม่มีอะไรหมดตัวแล้วครับเรียกว่าจบว่าถึงที่สุดแล้วอย่านยอมมีมันถึงที่สุดแล้วครับมันจึงรู้ครับก็เลยเป็นวิพลานที่ตรงนี้ครับแต่ผมเป็นผมไปติดควมสุขครับเพราะไม่เคยเป็นไม่เคยมีอย่างนี้นผมเดินไปเดินกําลังเดินจมกลมนึกว่ามัมน สูงขึ้นไปประมาณจากเม็ดพุ่นนะครับหรือสองเม็ดพุ่นเขินดินขึ้นคือย่างอยู่บนอากาศนี่นะครับไม่เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงเดินบนดินนั่นแหละแต่มันเป็นในใจครับเหมือนเราเดินอยู่บนอากาศได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นก็เลยติดข่มสุขอันนั้นไม่นานผมเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้แลวผมก็เลยหวนกลับเข้ามาดูอารมณ์ครับ ตอนนี้ต้องทวนอารมณ์แต่ไม่ไปทวนอารมณ์ของรูปนามครับเมื่อมาทวนอารมณ์เห็นอารมณ์เข้าใจอารมณ์แล้วความสุขอันนั้นก็จะค่อยจางไปจางไปหรือลดน้อยลงลดน้อยลงก็จะมาอยู่ปกติเองครับให้มันเป็นปกติครับเห็นรู้เข้าใจไม่ต้องหลงไม่ต้องลืมเป็นอย่างนั้น เมื่อไม่ต้องหลงไม่ตวลุ่มแล้วก็เป็นปกติจิตใจก็สบายคือว่างว่างแต่ไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรนะครับคือกิเลสทั้งหลายนั่นะจะไม่เข้ามารบกวนครับมันจะเห็นเป็นสิ้นเป็นอันเป็นสิ้นเป็นอันเราเคยพูดเคยคุยกันเรื่องกิเลส กเลทุกประเภทครับจย่างว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดมันจะมารวมลงที่จุดนี้ทั้งหมดเลยครับเมื่อรู้ครบจบทั้วแล้วเราก็รู้นะครับจะให้คนอื่นรู้แทนเราไม่ได้บัด น, นี้ใครจะพูดเรื่องอะไรเรารู้พูดธรรมะให้ฟังก็รู้ สิ่งที่ไม่เป็นธรรมะพูดแล้วก็รู้อันนี้มันจะลื้อถอนทั้งหมดเลยครับลือถอนโดยไม่ต้องนึกต้องฝันอันนี้แหละครับทุกคนต้องประสบเรื่องนี้ครับถ้าหากว่าเรายังไม่ทันรู้ไม่ทันเห็นไม่ทันเป็นก็คล้ายๆคือจวนจะตายหรือจวนจะบดบรมหายใจนี่ครับมันจะเห็นจะรู้เข้าใจเรื่องนี้ครับ ว่าอารมณ์นั้นทวนมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่วัตถุปรลัติะาการโทสะโมหะโลภะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ไปอย่างนี้ทวนให้มันสมมติเอาครับเหมือนเรากับเดินทางนี่นะเราเดินทางเนี่ยทีแรกเดินไปเราไม่ได้ ตัดไม่ได้ทางอะไรมากไม่ได้กลนหลักกลนตอมากเดี๋วตัดทางให้ไปได้บัด น, นี้เราทวนไปจนจบไับ่ น, นี้ทวนไปจบแล้วก็ทวนตั้งแต่ปลายลงมาเดี๋ยวอนุโลมปฏิโลมอย่างนี้ครับบัด น, นี้ทางนั้นเป็นหลักเป็นต่อแล้วก็ค่อยตัดค่อยเตียนเข้าปัดโกดเข้าให้มันละเอียดอันมันสมมุติพูดอะให้รู้อารมณ์ละเอียดเข้าเป็นพัก เป็นพวกเป็นหมวดเป็นหมงเนี่นวขันห้าขันสี่ขันสามขันสองขันเดียวอย่างเนี้ยให้มันรู้จริงๆครับรู้อันนี้วิปัสสนาก็หายไปจินตยานก็หายไปวิปัสสนูก็หายไปมีแต่ปัญญาล้นล้วนครับอันนี้มีแต่ยานของปัญญาเข้าไปรู้เหลียบปัญญาญาน ยานเข้าไปรู้อันนี้แหละครับที่ผมได้แนะนำทำสอนมาหลายคนครับมีคนรู้มาถึงจุดนี้น้อยคนแต่รู้เรื่องรูปนามนั้นมากอสอนกันกันรู้มา ก, กแต่รู้เรื่องจิตใจเปลี่ยนให้ทำตัวเป็นอริยบุคคลเรียกว่าเป็นพระนั่นก็มีมากนีมาก บางคนก็จิตใจเปลี่ยนครั้งเดียวบางคนก็สองครั้งสามครั้งไปเป็นอย่างนั้นแต่ความรู้มันรู้ครับแต่พูดให้ฟังแล้วรู้ครับอันนี้แต่มันยังไม่ชัดเจนครับผมพูดความจริงจะหาว่าผมพูดอวดหรือว่าหาว่าคุยพูดมากก็ได้เพราะเรื่องของคนมันต้องเป็นอย่างนั้นครับรู้ได้ครับไม่มีใครพูดให้ฟัง เรื่องเหล่านี้ครับผมรู้จริงว่าพุทธานุพุทธะหรือว่จะว่ายัางไงว่าสาวกพุทธะก็ได้จะว่ายัางไงก็ได้ครับจะห้ามไม่ได้ครับพุทธานุพุทธังสามะศีรทิฏฐิงิเราสวดโยจะขุ ม, มานี่ว่าแต่เป็นใจกว่าผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้า มีศีลและทิฏฐิเสมอกันท่านวันมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าครับและการรู้เห็นเป็นมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ามีความสุขเท่ากันมีความไม่มีทุกข์เท่ากันรู้อารมณ์เช่นเดียวกันแต่ไม่แตกสานเหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้แตกสานมีคมรู้มากท่านเรียนมากนะครับอันนี้ ที่นำมารลอยให้ฟังเป็นวิธีแก้วิปลาสเป็นวิธีแก้ของจินตยานเป็นวิธีแก้ของวิปัสสนุถ้ามันตึงเครียดวินหัวหนัก อ, อกหนักใจนั้นเราต้องทำเบาๆอย่าไปเพ่งถ้าไปเพ่งนะ่ะมันแน่นเข้ามันแก้ไม่ได้ทำให้มันสบายมองไกลๆเนี่ย ถ้ามองไกลแล้วมันคลายออกไปโมรู้นะมันโอบหนักหนักใจมันจะคลายออกไปเองมันครับอันนี้เป็นวิธีแก้จินตยานก็เช่นเดียวกันให้แก้อย่างนั้นตอนวิปลาสเนี่ยให้ต้องแก้ตอนมาทวนอารมณ์ครับให้มันมีอารมณ์อยู่กับอารมณ์แล้วก็ทําเบาๆแต่ส่วนวิปัสสนุ ก, กับจินตญานจนะต้องแก้วิธีทำแต่วทวนอารมณ์น้อยครับอันนี้เป็น แต่เรื่องรูปนาม น, นั่นก็ต้องให้มันแจม่มใสตอนวิปลาดเนี่ยต้องทวนอารมณ์ทําให้มันสบายสบายอยู่กับอารมณ์ครับเมื่ออารมณ์แจม่มใสขึ้นมาแล้วความตึงเครียดก็ลดน้อยไป ท, ทันทีแต่ให้มันคิดนะห้ามไม่ได้ผมคิดนะครับแต่มันจะคิดรู้เห็นเข้าใจเป็นมีเข้าใจาใ จ, จริงๆอันนี้เลยเป็น วิปัสนาลนล้วนครับมันจะเป็นเองมันเพราะทุกคนต้องมีอย่างนั้นอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเหมือนกันเป็นมีเหมือนกันเราต้องเข้าใจแต่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพุทธ เราจะว่าเป็นประเจกกาพุท ธ, ธก็ได้เป็นสาวกพุท ธ, ธก็ได้หรือจะว่ายังไงก็ได้มันเป็นเรื่องสมมติอยงรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามจึงจะสมกับที่เราสวดกันหลักสังฆคุณวสุปติปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระภิกษพระภาคเจ้านั้นมูไดปฏิบัติ ด, ดีแล้วคือปฏิบัติอย่างถูกต้องครับ อุจฉุปฏิปัโนภะควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระภูยภาคเจ้านั้นหมเดปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติตรงต่อตัวเองตรงต่อคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้ายายญปฏิปัโนภะควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระพูยภาคเจ้านั้นหมหูได ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วออกจากโทสะออกจากโมหะออกจากโลภะออกจากกิเลสออกจากตัณหาออกจากอุปทานกรรมวิบากเหล่านั้นจะออกไปจางไปจางไปนี่ว่าสามิจิปฏิ ป, ฏปโนภะวะโตสาวกสังโโหสงสาวกของภาพผู้มีภาคเจ้านั้นโมใดปฏิบัติสมควรแล้วเนี่ย คือจะไม่หลงไม่ลืมครับญนี่ที่ทางจตางิปุริสายุขาเนี่ยอัฏาปุริสาบุคลานี่คู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวบุรุษได้8ดบุรุษเอสาพระวาโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระภูยิภาคเจ้าจะเป็นผู้หญิงก็เป็นสงได้เป็นผู้ชายก็เป็นสงได้ เป็นผ้าเป็นเนงก็เป็นสงฆ์ได้บวชก็เป็นสงฆ์ได้ไม่บวชก็เป็นสงฆ์ได้ถือศาสนาใดก็ตามนุ่งผ้าซื้ออะไรก็ตามนัดที่ใดก็ตามไม่จำกัดไม่กำหนดกฎเกณฑ์การปฏิบัติแบบนี้ครับรับรองได้ครับแต่ไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆครับศาสนาอื่นๆนั้นถือศาสนาพุทธแล้วจะปฏิบัติศาสนาอื่นนั้น ไม่ได้ต้องไปลดละทิลนิกายไปเข้าศาสนานั้นไปเข้าละทินั้นจึงจะปฏิบัติได้อันนี้ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นครับถือศาสนาไหนาก็ได้นุ่งผ้าสีอะไรก็ได้บวกก็ได้ไม่บวกก็ได้แต่ขอให้ปฏิบัติตามเท่านั้นเองผมรับรองประกรันคําพูดที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้นั้นครับจึงว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตคือกันครับ สัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตรถาคตเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตแต่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพุทธะเราจะว่าเป็นปเจกขาพุทธะก็ได้เป็นสาวกพุทธะก็ได้เป็นอยางนั้นข้อสุดท้ายในธรรมะสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทางไหนจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้เนี่ยรู้เห็นเป็นมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเที่ยวว่ารู้จริงๆเรื่องนี้ครับรู้วิปสัสสนารู้จินต ญ, ญานรู้วิปลาสรู้เห็นเป็นมีจริงๆครับจึงจะสามารถ ยืนยันรับรองคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าแลวก็สามารถยืนยันรับรองวิธีปฏิบัติของตัวเองได้ครับรับรองว่าทำจังหวะนี่มันไปเข้ากันกับพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าให้มีสติกำหนดรู้ท่านว่ากายยานุปัสสนาให้มีสติรู้กายในกาย แล้วก็ให้มีสติรู้เวทนาในเวทนาแล้วก็ให้มีสติรู้จิตในจิตแล้วก็ให้มีสติรู้ธรรมในธรรมนี่ย ว, ว่าวิปัสจจนาหรือสติปัฏฐานสี่เนี่ยเพิ่นสอนอย่างนั้นแต่ท่านมันเป็นคำพูดอันนงมาสอนย้ำเข้าไปอีกว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอินยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่ง น, นอน ให้รู้นี่อันนี้รู้อันนี้มันทําให้ปัญญายาณเกิดขึ้นและจะไปแก้ปัญหาสิ่งที่สับสนวุ่นวายการขัดแย้งต่อภายในจิตใจตัวเองได้จริงๆครับเรงนี้จะหมดปัญหาหมดการขัดแย้งหมดการสับสนวุ่นวายจะมีความแจม่มใสอยู่ภายในจิตใจครับอันนี้เป็นอย่างนั้น จึงว่าเป็นปัญญาญาณคนจะล่วงทุกไปได้เพาะปัญญาและท่านสอนเข้ามาอีกว่าให้มีสติกาหนดรู้ในอิเลยาบุด ย, ย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้ในท่านสอนอย่างนี้ครับจึงว่าตั้งอกตั้งใจจดจําเอาไว้ครับเป็นวิธีแก้ปัญหาเรื่องวิปัสสนูแก้ปัญหาเรื่องจินตาณ แก้ปัญหาเรื่องวิปลาสครับในขณะที่เราเป็นเนี่ยเราจะไม่รู้เพราะเรายังไม่เข้าใจเนี่ยครับเมื่อถึงที่สุดแล้วหย่านยอมมีเนี่ยจนถึงที่สุดคุ่นครับมันจึงจะรู้จักมดนหมดปัญหาหมดการขัดแย้งไม่ต้องไปอาศัยตำรับตำราอะไรมากรู้หนังสือก็ปฏิบัติได้ไม่รู้หนังสือก็ปฏิบัติได้ คนจนคนรวยปฏิบัติได้ทางนั้นครับอันวิธีที่ผมพูดนี่จะถือศาสน า, าใดลทัทธิใดก็ตามนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามรู้จริงๆรับลองได้ครับนับลองจริงๆนะที่ผมพูดใน้ยอมเสียสละทรัพย์ทอนแม่ขูบ่บาจานร้อยฟังเพราะรักษาอาวัยวะ ยอมเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาศีจธรรมอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับรักษาคํำพูดรักษาวิธีปฏิบัติยอมเสียสละจริงๆครับถ้าทําอย่างนี้ต้องรู้อย่างนี้ถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่รู้ผมจะก่อนผมไม่รู้ผมเคยภาวนาพุทธโธมา สัมาอาลหังมานับหนึ่งสองสามมาพองยุบเยกว่ายุบหนอพองหนอเนี่ยผมก็เคยทํามาอาณาปานาสติหายใจเข้าสั้นออกยาวลมหยาบลมละเอียดเนี่ยผมเคยทํามาครับแต่ผมไม่รู้เพราะมันไม่ถูกกับจริตของผมหรือ ย, อยังไงก็ไม่รู้คนอื่นนั้นอาจจะทํารู้ก็ได้แต่ผมมาทําเรื่องนี้ไม่นานครับ ไม่นานจริงๆรู้เห็นเป็นมีเข้าใจแก้ปัญหาการขัดแย้งของตัวเองได้จริงๆมีความสามารถดืนหยัดอยู่ในบนพื้นฐานอันนี้ได้จริงๆครับใครจะพูดยังไงก็ได้มันเฉยได้ครับอันนี้แหละที่เราไปสวดขันว่าพทุทธโลกธรรมเมหี จิตตังยศนกรรมปฏิอโสกังวิรักษงเขมังเอตามังคะลมุมตัมังดาวาสวดเป็นปริตรมงคลกันอันนั้นเป็นคำพูดนะครับเมื่อมาคิดถึงการปฏิบัติพุทธสโลกธรรมเมหิจิต ต, จตังยศนกรรมปฏิจิตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ คืออารมณ์ทั้งหลายหรือโลกทั้งหลายหนึ่งอารมณ์ทั้งหลายโลกทั้งหลายคือมีความสมบัง้งมีความสนเส ร, ริญมีความนินทามีความว่าร้ายเราไม่ต้องหวั่นไหวครับอันนี้นคือจิตใจของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีในคนทุกคนแต่ไม่ใช่จิตใจของพระพุทธเจ้าจิตใจของเราก็คือการกักจิตใจของพระพุทธเจ้าทันวันวันวันนี้ฮะโศกัง เป็นจิตไม่เศร้าโศกเป็นจิตไม่คุณมัวเป็นจิตไม่เศร้าหมองมันก็เป็นอย่างนั้นถึงจะรู้ก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้ก็เป็นอย่างนั้นนี่ท่านว่าอย่างนั้นวิณชังเป็นจิตไรทุลีคือจิตไกลจากทุลีกาวาได้หรือว่าไรทุลีกาวาได้คำว่าไรทุลีนสมมติมาพูดให้พวกเราฟังให้เราเข้าใจเราเคยเห็นเราไถนา เราดำนาคาดนาน้ํา ม, มันขุนเราว่าน้ํา ม, มันขุนมันเป็นตมเป็นเลนแต่น้ํามไม่ได้ขุนครับสายตาคนมันมองไม่เห็นบัด น, นี้เอานา้ําขุนอันนั้นามาใส่ขันใส่โอใส่ขวดใส่ที่ไหนว่าจะได้ตักมาไว้นะและตมเลนตะกอนนันนะครับมันไม่ใช่เป็นน้ําครับตมเลนกับน้ํา ม, มันอยู่ด้วยกันบัด น, นี้ นานๆเขาต้มเลนเขาจับเป็นตะกอนเป็นก้อนเขาน้ำก็ใสก็สะอาดนั่นมันเป็นอย่างนั้นจิวจิตไม่เศร้าโศกจิตไร้ทุลีจิตไม่วันไหวมันเป็นอย่างนั้นครับมันน้ำกับตะกอนนั้นมันอาศัยอยู่อันกิเลสเหล่านั้นมันก็อยู่พอมันชื่อว่ามันคิดให้เห็นให้รู้เอาตัวรู้นี่ได้เข้าไปไปรู้ครับ เดีว่าญาณของปัญญาเขาไปรู้ครับเขมังเหมืนเป็นจิตอันกเสมทันวันอันจิตอันกเกษมนี่ก็หมายถึงจิตพ้นไปจากความทุกข์พ้นไปจากควมกาวมสุขนอกก็เลยมาพูดอุเปกขาวางเซยเป็นจิตอันกเสมมันเป็นอย่างนั้นอยู่ถึงจะรู้มันก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้มีแล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้น จะถือศาสนาใดก็ตามนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามเป็นมีรู้เห็นได้เข้าใจเหมือนกันแต่ขอให้ทำให้ถูกต้องอเท่นั้นเองครับถ้าทำถูกต้องแล้วไม่พลาดครับเรื่องนี้รับรองได้จริงๆรับรองจริงๆผมยอมเสียสละชีวิต ท, ทดแทนเอาคำพูดหรือสัจจะทำอันนี้ เพื่อทำให้หลักพุทธศาสนาหรือคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นจเจริญ ม, มั่นคงถาวรต่อไปเป็นอย่างนั้นถ้าหากเราไม่พูดไม่สอนกันก็จะไม่รู้การให้ทานรักษาศีล น, นั่นดีแล้วแต่เราให้ทานรักษาศีลนั้นมันยังมีโกธมีเกียรติอันนั้นมันเป็นสังคมศีลไม่ใช่ศีลกําจัดกิเลสอย่างยาบ อ่านศีลนั้นท่านว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบคือกิเลสอย่างหยาบมันจะหายไปมันไม่หายเหมือนกับตะกอนนั่นแหละครับกับน้ำนั่นแหละมันจะอยู่ด้วยกันได้แต่มันเห็นมันรู้มันจะไม่ทําให้น้ํานั้นขุ่นมันจะแข็งตัวมันเป็นก้อนอยู่อย่างนั้นครับจังหวะน้ําท่ากับน้ํามันอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ละคนกันเข้ากันได้ มันจะเป็นส่วนเป็นส่วนอยู่อย่างนั้นอันตมเลนก็เหมือนกันมันจะไม่ทําให้น้ําสกปรกได้ครับที่ผมนํามาพูดให้ฟังวันนี้การแก้ปัญหาของวิปัสสนุก็จดจําเอาไว้การแก้ปัญหาของจินตยานก็จดจําเอาไว้การแก้ปัญหาของเรื่องวิปลาสก็จดจําเอาไว้ ต้องทําอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นให้มีสติรู้การเคลื่อนการไหวการไปการมาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับให้รู้เทา่ารู้ทันรู้จักกาันรู้จักแก้นั่นเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างรัดรัดอันนี้นะนัดสั้นที่สุดมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บขึ้นมาอันนั้นเนี่เป็นการปฏิบัติธรรมแท้ อันที่เราทำจังหวะนั่นเป็นวิธีการครับเพราะว่าคนมันระดับสติปัญญาไม่เหมือนกันครับถ้าคนมีปัญญาจริงๆแ้ะดูคมคิดมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บนี่เป็นการปฏิบัติธรรมดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจนี่รีบมาแก้ไขที่ตรงนี้คนไทยถือาศาสนาพุทธก็มีอย่างนี้ คนไทยถือศาสา i i. นาคิดก็มีอย่างนี้คนไทยถือศา <Stretch> สนาอ <promotions> ิสลามก็มีอย่างนี้คนไทยถือศาสนาพราหมณ์ก็เป็นอย่างนี้คนไทยถือศาสนาฮินดูก็เป็นอย่างนี้คนฝรั่งเศสบ่นิถือศาสนาคิดก็เป็นอย่างนี้คนฝรั่งเศสถือศาสนาอิสลามก็มีอย่างนี้คนฝรั่งเศสถือศาสนาพราหมณ์ก็เป็นอย่างนี้คนฝรั่งเศสถือศาสนาฮินดูก็เป็นอย่างนี้ คนฝรั่งเศสถือาศาสนาพุทธก็เป็นอย่างนี้ครับมันมีทุกคนจิว่าที่ผมพูดนี่จิว่าไม่กําหนดกฎเกณฑ์เสื้อซ่าศาสน า, า, า, านาทีนิกายอะไรทั้งหมดไม่ถือทางนั้นรับรองเห็นเป็นมีจริงๆรับรองได้คําพูดคําสอนผมนํามาเล่าสู่ฟังในวันนี้รับรองแทนพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านตัดว่า ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นได้จึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้รู้เห็นเป็นมีเช่นเดียวกันการแก้วิปัสสนาต้องให้รู้อยู่กับอารมณ์นะครับการแก้วิปัสสนานั้นต้องทําอย่าไปเพ่ง อย่าไปจ้องจิตจยานก็อย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอวิปลาดมันต้องให้มันแนบแน่อยู่อารมณ์อารมณ์ทวนกลับไปกลับมาให้มันรู้ให้เข้าใจที่ผมได้แนะนำมาวันนี้ก็นึ ก, กว่าทุกคนจำได้ท้ายที่สุดนี้ผมพร้อมด้วยเพื่อนอพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่น้สถานที่นี้ ผมขออ้างอิงเอาคุณของพระพุตรเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและคุณของพระลันตาสาวกพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้เราได้จเจริญลอยตามอย่างที่พระพุตรเจ้าตัดวัตสัตย์ทั้งหลายคือเราตถาคตจัตย์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตจัต์ทั้งหลายเป็นตถาคตสามข้อข้างต้นนั้นก็ต้องรู้ต้องเห็นต้องเป็นต้องมี ข้อที่สีนี้ธนวัตสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วเห็นนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตรถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตรถาคตนี้ขอให้ทุกคนทุกคนจงประชดพบเห็นเอาคือจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปกติ คือจิตใจพ้องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างเพราะจิตใจเป็นปกติอันปกตินั่นเรียกว่าเป็นพรนะอนาคต